วันวันแม่วันพ่อนี้มีไว้เพื่อให้พวกเราได้มาเจริญความกตันยูกัตเเวทีกัตันยูคือสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่กะตเเวทีคือทดแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่มีพระคุณนันเรียกว่ากัตันยูกะตเตเวที เป็นคุณสมบัติของผู้เจริญของคนดีคนดีถ้าไม่มีความกตถ้าไม่มีความกตัญอยู่กตวเวทีนี้ไม่ถือว่าเป็นคนดีว่าเป็นคนดีไม่ได้แล้คนที่มีพระคุณกับเรายังเรายังไม่มีความกตัญอยู่กตวเวทีแล้วคนอื่นที่ก็ไม่มีพระคุณแต่เราเราจะไ ป, ไปทาความดีอะไรกับเขา ได้ยังไงยังคนที่มีความกระตันอยู่กระตันเวทีถึงเป็นคนคนดีเพราะจะยอมเสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้มีพระคุณคนที่ไม่มีความกระตันอยู่นี่เขายาวแต่ความเห็นแก่ตัว เดิมบุญคุณไม่อยากจะนึกถึงบุญคุณของใครเพราะความเห็นแก่ตัวไม่อยากทำประโยชน์ให้แกผ่ผู้อยากจะทำประโยชน์ให้กับตนเองถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเ ขนาดคนที่มีพระคุณเช่นพ่อแม่ยังไม่มียังไม่คิดทำประโยชน์ให้แล้วคนอื่นเขาที่ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่จะไปหวังอะไรได้คนเราครบกันก็เพื่อที่จะได้หวังพึ่งกันละกันแต่ถ้าพึ่งกันละกันไม่ได้ก็ก็คงไม่คบกันอย่างที่เขาพูดเพื่อนตายคือเพื่อนแท้ เพื่อนกินเนี่ยคือเพื่อนปลอมถ้าเราให้เขากินเขาก็เป็นเพื่อนเราแต่ถ้าเขาต้องตายแทนเราเขาคงไม่เป็นเพื่อนเราเพื่อนยามยากคือเพื่อนแท้เพื่อนยามสุขไม่ใช่เป็นเพื่อนแท้เวลาเรามีความสุขก็เพื่อนถ้าเรามีอะไรให้เขาเนี่ยก็มีเพื่อนเยอะพอเราไม่มีแล้วนี่เพื่อนหายหมด ความกตัญญูไม่มีเลยแต่ก่อนที่มีความกตัญญูเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเราเมื่อก่อนเราเคยช่วยเหลือเขาเขาก็อยากจะมาช่วยเหลือเราทดแทนบุญคุณกันแล้วเพื่อนแท้เพื่อนปลอมก็เป็นเพื่อนกินเพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก คหลังก็ถึงบอกว่า a friend indeed is a friend indeed a friend indeed is a friend indeed เพื่อนในยามยากก็คือเพื่อนที่แท้จริงฉะ yeah. <Yeah. S 1> นั้นคนเราเนี่วัดกันก็วัดตรงที่ความกระตันอยู่ความรู้คุณบุญคุณของผู้อื่นคนที่มีความกระตันอยู่ก็มักจะเป็นคนที่ผู้อื่นจะ ย, ยินดีคบค้าสมาคม ยินดีให้ความช่วยเหลือเพราะเป็นคนที่รู้จากการทดแทนบุญคุณแต่การช่วยเหลือผู้อื่นนี้ก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรสิ่งตอบแทนอะไรให้เพื่อความเมตตาแต่ก็อยากจะให้คนที่เขามีความกตัญญู ดีกว่าให้คนที่ไม่มีความกระตันอยู่เพราะเผื่อในวันข้างหน้าเกิดเราเดือดร้อนเขาก็คนที่มีความกระตันอยู่เขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือเราแต่คนที่ไม่มีความกระตันอยู่เขาก็เขาก็ไม่สนใจยัน เวลาที่เราเลือกครบคนเราก็มักจะเลือกคบคนที่มีความกตัญอยู่ก่อนไม่มีความกตัญอยู่ก็คบได้แต่ไม่ได้ก็ต้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจทาใจไว้ว่าหวังอะไรจากเขาไม่ได้เราอยู่ในโลกมันก็ชีวิตมีขึ้นมีลงบางทีก็ลงบางทีก็ขึ้น เวลาลงถ้ามีคนมาให้กำลังใจมันก็ทำให้ความทุกข์ยากความทรมานใจมันน้อยลงไปแต่ถ้าไม่มีใครให้กำลังใจเลยมันก็เกิดความท้อแท้ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเลยอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของของคนของคนที่มีความกระตันอยู่ เรืองของคนที่ไม่มีความกระตันอยู่ทางพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญเรื่องความกตันอยู่กัตเวทีเรื่องบุญคุณของพ่อของแม่เป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะสิ่งที่พ่อแม่ให้กับเรานี้ไม่มีใครให้กับเราได้ก็เดื่นเก้าห้าจะให้ลาบยศสรรเสริญเราได้ ให้เงินทองเราให้ตำแหน่งเราให้ยศถาบรรดาศักดิ์ให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพาเราไปเที่ยวพาเราไปกินไปดื่มแต่ไม่มีใครให้ชีวิตเราได้นอกจากพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ได้ นอกจากให้กำเนิดแล้วยังให้การเลี้ยงดูอีกไม่ใช่พอเกิดมาแล้วก็ยกให้คนอื่นไปอย่างนั้นก็ยังมีบุญคุณนึงแม่พ่อแม่บางคนยากจนไม่สามารถเลี้ยงดูลูกตัวเองได้พอออกคลอดมาแล้วก็ไปฝากไว้ที่โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าเพราะเขาไม่มีปัญญาเขาอย่างเลี้ยงตัวเองไม่รอดเอาตัวเองไม่รอดก็เลยต้อง ไปฝากให้ผู้อุปเลี่ยงให้แต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีพระคุณที่เขาให้ให้กําเนิดให้ชีวิตเราแล้วนอกจากนอกถ้าเป็นพ่อแม่ที่นอกจากให้กําเนิดแล้วเลี้ยงดูเราด้วยเลี้ยงมาตั้งแต่คลอดออกมาจนโตเป็นใหญ่ส่งเสริมให้เรียนหนังสือให้มีความรู้ให้มีการศึกษา เพื่อจะได้เลี้ยงตนเองได้ช่วยเหลือตนเองได้พึ่งตนเองได้อันนี้ยิงมีมีพ่อคนมากขนาดไหนให้ชีวิตแล้วยังให้ให้อำนวยความสุขความสะดวกประโยชน์ต่างๆเราไม่ต้องทำอะไรเลยมีแต่รับเพียงอย่างเดียวลูกมีแต่รับจากพ่อแม่อย่างเดียวพ่อแม่นี่ยต้อง เล่นลนขวนขวายเอาสิ่งต่างๆมาให้ลูกเพื่อให้ลูกได้อยู่อย่างสุขาบางทียอมอดอดมื้อกินมื้อเพื่อลูกาบางทีไม่มีพอก็ให้ลูกกินก่อนพ่อแม่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เอาทนได้ลูกยังเด็กอยู่ยังทนไม่ได้นี่คือ ความเสียสละของพ่อแม่แต่อลูกๆมีพระคุณกับลูกมากพระพุทธเจ้าบอกว่าการได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ทำบุญกับพ่อแม่เนี่ยได้เปรียบเหมือนได้ได้บุญเท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์พระอรหันต์นี้เป็นผู้มีพระคุณมากถ้าได้ทำบุญกับพระอรหรนันต์นี้เราจะได้สิ่งที่แม้แต่พ่อแม่ก็ให้ไม่ได้ สิ่งที่พ่อแม่ให้ไม่ได้คืออะไรก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพาลหันพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะให้ได้พระคุณของพระพุทธเจ้าของพาละหันนี้ยิ่งยิ่งใหญ่กว่าพระคุณของพ่อของแม่พ่อแม่ให้เรามีชีวิตแต่ไม่สามารถทำให้ เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกของการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ทำให้เราหลุดพ้นได้ทำให้เราไม่ต้องมีความทุกข์พ่อแม่ทำให้เราไม่มีความทุกข์ทางร่างกายช่วยเหลือทางร่างกายเลียงดูพอคลอดออกมาก็ให้อาหารให้น้ำให้อะไรต่าง ความทุกข์ทางร่างกายเราจึงไม่มีกันนะแต่ความทุกข์ทางจิตใจเรายังมีกันอยู่เพราะพ่อแม่ไม่รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์ทางจิตใจแต่พระพุทธเจ้าพาระอรหันต์นี่ท่านรู้จักวิธีดับความทุกข์ทางใจจึงเป็นพระคุณยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าใจนี้มีความสาคัญกว่าร่างกาย ร่างกายมีอายุไม่เกินน้อยปีก็หมดสภาพไปแต่ใจนี้ไม่มีวันตายถ้าใจยังทุกข์อยู่ก็ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าตายถ้าใจหมดทุกข์ก็หมดทุกข์ไปอย่างถาวรนดงนั้นการได้ทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ถือว่าได้ตอบแทนได้ทำบุญกับพออระอรหันต์ ได้บุญมากเปรียบเทียบ ว, ว่าบุญมากแต่บุญไม่เท่ากันบุญของพระอรหันต์มากกว่า่ น, นบุญกับพระอรหันต์เราจะได้การหลุดพ้นจากการจากความทุกข์ทั้งหลายทาบุญกับพ่อแม่เราก็จะได้บุญได้กุศลได้ไปสวรรค์ตายไปแล้วได้ไปสู่สุคติไม่ไปอบาย เราควรที่ลำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆเราจึงมีธรรมเนียมเวลาไหว้พระแล้วก็ให้ไหว้พ่อให้ไหว้แม่กราบพ่อกราบแม่การกราบเราจะได้ทําให้เราลาลึกถึงถึงพ่อถึงแม่นั่นเองการกราบพระก็เหมือนการกราบพระก็เพื่อให้เราลาลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนพระอริยสงสาวร ถ้าเราไม่กราบเราไม่ดำลึกเราก็ลืมได้เพราะเราจะยุ่งกับเรื่องการหาความสุขให้กับตัวเราทํางานทําการหาเงินหาทองหาความสุขต่างๆถ้าเราไม่มีการกราบว่าพ่อแม่กราบไหวพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะลืมท่านได้ พอลืมแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปทาหน้าที่ของลูกที่ดีได้คือไปดูแลพ่อแม่บางทีไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะต้องแยกกันอยู่ต้องไปทามาหากินแต่เวลาก่อนนอนกราบพระกราบพ่อกลา บ, บแม่จะได้ลิลำเลิศถึงพ่อถึงแม่ถึงพระจะได้ปฏิบัติตนให้ถูก คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเช่นไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำบาปทำแต่บุญชำระใจให้สรระอาดบริสุทธิ์กับพ่อกับแม่ก็จะได้รำลึกถึงทดแทนบุญคุณรำลึกถึงความกระตันอยู่กัแต่เวทีต้องมีความห่วงใ ย, ยพ่อแม่ต้องแวะไปดูแลกัน สมัยนี้ติดต่อกันสะดวกโทรคุยกันบ้างถามสารเล่าทุกสุขดิเพราะแม่เวลาได้ยินข่าวจากลูกก็ดีใจเพียงแต่โทรไปหาก็ดีใจแล้วที่ลูกมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วถ้ามีอะไรให้พ่อแม่ได้ก็ดีมีเงินมีทองก็แบ่งให้พ่อแม่ไว้บ้าง อะไรทำนองนี้มันเป็นการกระทำความดีเป็นการทำบุญเป็นการกัดเกาจิตใจให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความนงความเห็นแก่ตัวทำให้ใจมีความเมตตามีความกรุณามีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วจะทำให้ใจมีความสุข การทำความดีนี่เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจการหาความสุขจากสิ่งอื่นนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่กลายเป็นความทุกข์เวลาที่ไม่สามารถหาได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเวลาหากันก็มีความสุขกันพอเวลาที่ไม่สามารถหาได้ความสุขเหล่านั้นก็หายไป ความสุขที่เกิดจากการทำความดีนี่มันจะอยู่กับใจนานเวลาไม่ได้ทำความดีแต่เพียงแต่คิดถึงความดีที่เราได้ทำมามันก็ทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจแล้วทาไม่ได้ไปทำอะไรก็ไม่มีความทุกข์ใจเพราะมันไม่มีความอยากที่จะทำอย่างอื่น ถ้าไม่มีความอยากหาความสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถหาความสุขจากการทำความดีได้จากการทำบุญจากการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้แก่ผู้มีพระคุณให้พ่อให้แม่ให้ครูบาอาจารย์ อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใจความสุขความทุกข์ของใจที่เราไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันเราคิดว่าการความสุขของเราคือการหาราบยศจละเสลนหาอะไรทำตามทำอะไรตามถ้าเราได้ทำอะไรตามความอยากแล้วเราจะมีความสุขกันแต่เราไม่ได้คิดเวลาที่เราอยากแล้วไม่ไม่ได้ทำนี่มันทุกข์กัน แต่การทำความดีนี้เราไม่ค่อยมีความอยากกันเวลาเรา <c oughs> เวลาเราไม่ได้ทำความดีเราจะไม่รู้จักเราจะไม่รู้สึกทุกข์แต่ถ้าเวลาเราได้ทำความดีเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราทำตามเรามีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเวลาเราอยากแล้วเราไม่สามารถ ทำได้เราก็จะทุกข์กันนะเราควรที่จะหยุดการหาความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายทางลาบยศสรรเสริญกันดีกว่าเพราะมันเป็นความสุขปลอมได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยๆและเวลาหามาเติมไม่ได้ก็ทุกข์การหาความสุขด้วยการทำความดีนี้มันจะไม่มีความทุก ในยามที่เราไม่สามารถทำความดีได้เราก็จะเฉยๆไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราทำความดีได้เราก็จะมีความสุขใจเป่นเวลาเราทำบุญเรามีความสุขใจเวลาที่เราไม่ได้ทำบุญเราก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่เหมือนกับเวลาที่เราได้ความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆพอเวลาไม่สามารถ ทำตามความอยากได้ความสุขใจก็หายไปความทุกใจก็เข้ามาแทนที่ยิ่งมาหาความสุขใจด้วยการทําความดีกันดีกว่าดยการเสียสละบุญก็คือการทําสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นถ้าเราทําอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเรียกว่าเป็นบุญทำแล้วจะทําให้เรามีความสุขใจ แล้วถ้าเราไม่ได้ทำเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจวิธีหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ใจก็หาด้วยการทำความดีทำความดีวันไหนได้ทำความดีวันนั้นก็มีความสุขใจวันไหนไม่ว่างไม่ได้ทำความดีก็ไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าหาความสุขจากการทำตามความอยากวันไหนไม่สามารถทำตามความอยากได้วันนั้นก็ทุกข์ใจ ฉะเราควรจะเลือกหาความสุขจากการทําตามความอยากต่างๆแล้วมหาหันมาหาความสุขจากการทําความดีทําบุญแล้วก็หาความสุขจากการไม่ทําบาปการทําบาปนี้ก็เป็นทุกข์เวลาเราทําบาปใจเราก็จะทุกข์ใจเราจะไม่สบายแต่ถ้าเราไม่ทําบาปใจเราก็จะไม่ทุกข์ ต่เราก็จะเฉยๆไม่เดือดร้อนนี่คือการหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราหาความสุขจากการทำบุญทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีพระกุณกับเราเนี่ยเราควรจะทาเป็นบุคคลที่เราควรจะพุ่งเป้าหมายไปก่อนทำประโยชน์กับคนที่มีบุญคุณกับเราทดแทนบุญคุณ ให้แก่ผู้มีพระคุณเสร็จ แ, แล้วเราค่อยไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเพราะว่าเราไม่ควรลืมคนที่สําคัญในชีวิตของเราคนที่เสียสละคนที่ให้อะไรกับเราอย่างมากมายถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่ให้อะไรใครเราก็จะมีความรู้สึกน้อยใจ ที่คนที่เราให้นี้ไม่เคยคิดถึงเราเลยลูกๆนี้บางทีไม่ค่อยคิดถึงพ่อแม่กลับไปคิดถึงภรรยาสามีกับลูกๆของเขามากกว่าแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้หวังอะไรจากลูกๆพ่อแม่ก็ทำด้วยความเมตตาทำด้วยเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ เมื่อมีลูกแล้วก็เป็นมีความรับผิดชอบที่จะต้องเลี้ยงดูลูกให้ดีไม่ให้ไปตกทุกข์ยากลำบากเวลามีปัญหาอะไรก็ต้องพยายามมาช่วยเหลือแต่คนอื่นไม่มีใครเขาทำอย่างนี้กับเราไม่มีใครเขาจะคอยดูแลเราช่วยเหลือเรา ไม่มีแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรจากเราเป็นผลเป็นสิ่งตอบแทนเราจึงคนที่จะอน้ําลึกถึงพระคุณของของคนที่มีพระคุณกับเราแล้วถ้าตอบแทนได้ตอบแทนนุนคุณได้ก็จะดีจะทําให้พ่อแม่หรือคนที่มีพระคุณนี้เขามีความปื้มออกปื้มใจมีความสุขใจ เขาไม่ได้สุขใจจากสิ่งที่เราให้เขาหรอกแต่เขาได้จากความที่เรามีจิตสำนึกความที่เรามีความดีงามในตัวเราทำให้เข า, าเหมือนกับว่าไม่เสียกำลังใจที่ได้ปั้นคนดีขึ้นมาได้สร้างคนดีขึ้นมา ทำให้เขาไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนกับเราทำงานเราได้ผลงานดีได้รับรางวัลนี่เราก็จะมีความสุขใจรางวัลของพ่อของแม่ของผู้มีก็คุณก็คือการทดแทนบุญคุณของเราต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณการทดแทนก็มีหลายวิธีการทำตัวเราให้เป็นคนดีสมมติว่าเราไม่มีปัญญาที่จะ ให้เงินให้ทองพ่อแม่มากมายอย่างน้อยเราทำตัวเราให้เป็นคนดีก็เป็นการทดแทนบุญคุณทำให้พ่อแม่ไม่ต้องมาหนัก อ, อกหนักใจกับเราทาตัวเราไม่ให้ไปมีปัญหาเช่นไม่ไปทำบาปไม่ไปทำผิดกฎหมายรักษาชื่อเสียงของตระกูลอันนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณอย่างหนึ่งเหนกัน เรือเคารพพ่อแม่ก็เป็นการทดแทนบุญคุณให้ความเคารพพ่อแม่เวลาพ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวตักเตือนก็ควรที่จะน้อมรับมาไม่ควรที่จะโต้เถียงเวลาพ่อแม่พูดเราวว่าเราหรือบอกอะไรเรานี่ถือว่าเป็นเหมือนกับการสั่งสอนเหมือนพระ สงองค์เจ้ากาลังสั่งสอนเราท่านสอนด้วยความเมตตาท่านสอนด้วยความปรารถนาดีเมื่อท่านเห็นว่าเราทำอะไรไม่ถูกก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนกันเพราะถ้าไม่ว่ากล่าวตักเตือนเราใครจะมาว่ากล่าวตักเตือนเป็นหน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่นี้เป็นครูอาจารย์คนแรกของลูกๆ เราเรียนรู้อะไรต่างๆจากพ่อแม่มามากมายภาษานี่เราก็เรียนจากพ่อจากแม่เ ร, เราจะพูดได้นี่ก็อาศัยพ่อแม่เป็นคนคอยสอนวิธีกินวิธีอยู่วิธีหลับวิธีนอนมารยาท ต, ต่างๆก็พ่อแม่เป็นคนสอนเราทั้งนั้นเลยเวลาพ่อแม่พูดอะไรถึงแม้ไม่ถูกใจเราเราก็ต้อง สำลววอาการกิริยาความไม่พอใจมันเป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาเวลาใครเขาพูดอะไรไม่ถูกใจเราเราก็อาจจะโกรธได้แต่เราต้องมีสติเวลาที่เราอยู่อยู่ต่อต่อหน้าพ่อแม่คิดว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าต่อ คนที่สําคัญเช่นอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินเราจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่พอใจเราก็ต้องอดทนอดกั้นฟังอย่างเดียวพ่อแม่สัง่งพ่อแม่สอนนี้ไม่ควรไปเถียงจะถูกจะผิดนั้นค่อยมาพิจารณากันอีกทีสิ่งที่พ่อแม่สอนผิดก็ไม่ต้องทำตามก็ได้ เป็นถ้าไปสอนให้ไปไปช่อโกงไปลักทรัพย์อย่างนี้ถ้าสอนอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำตามก็ได้แต่เวลาที่ท่านสอนไม่ต้องไปเถียงท่านปล่อยท่านพูดไปแล้วเราก็มาพิจารณาของเราดูอีกทีอ่ถูกหรือไม่ถูกควรจะทำหรือไม่ทำการไม่ทำตามพ่อแม่เพราะมันไม่ถูกนี้ไม่ไม่ไม่บาปไม่เสียหายไม่ได้เป็นความ อากรัรอยู่แต่อย่างใดเดื่องการไม่ได้ทําตามสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ได้เป็นการอากรัรอยู่บางทีเราอาจจะไม่มีปัญญาทําตามก็ได้ก็ทํเท่าที่เราจะทําได้ก็แล้วกันแต่ก็สำคัญไม่ควรไปตอบโต้โต้เถียงหรือด่าพ่อด่าแม่ว่าพ่อว่าแม่ อันนี้เนี่ยไม่ควรแสดงถึงความไม่มีความกระตันอยู่ไม่มีความเคารพเวลาพ่อแม่พูดอะไรก็ต้องคับอย่างเดียวผมอย่างเดียวหรือแม่ก็เฉยๆฟังไปเพราพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรจากเราหรอกต้องการให้เราเป็นคนดีเพราะการเป็นคนดีทําให้เรามีความสุขนั่นเอง แต่ถ้าเราอยากจะทำความดีมากกว่าที่พ่อแม่อยากจะให้เราทำ hmm. ก็ไม่ต้องไปกังวลอย่างพระพุทธเจ้าอยากจะบวชนี่พ่อแม่ก็ไม่อยากพ่อไม่อยากให้บวชอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าการทำความดีที่พ่อแม่ยังมองไม่เห็นก็ได้การบวชนี่พ่อแม่พ่อหลงพุทธเจ้ายังมองไม่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ดี ก็คิดว่าอยู่เป็นมหาจากักรพรรดิจะดีกว่าอ่พระพุทธเจ้ามีปัญญาที่มากกว่าพ่อเวลาไปก็เลยต้องไปแบบเงียบๆไปแบบไม่ขออนุญาตถ้าขออนุญาตก็คงไม่ได้ไปท่านรู้ท่านจึงไม่ขออนุญาตหลบนี้ไปแต่ท่านมองทางกายว่าเมื่อท่านได้สําเร็จ สิ่งที่ท่านต้องการแล้วท่านจะมาทําประโยชน์ให้กับพ่อแม่ได้มากกว่าตอนที่ไม่ได้ไปตอนที่ไม่ได้ไปบวชเนี่ถ้าอยู่เป็นมหาจักรพรรดิพ่อแม่พ่อก็จะอยู่สบายทางร่างกายแต่ทางจิตใจก็ยังทุกข์ทรมานอยู่กับความทุกข์ต่างๆอยู่แต่พอพระพุทธเจ้าไปบวชแล้วได้ตัดสั้นแล้วก็กลับมาสอนพ่อสอนเพ็ สอนแม่สอนพี่น้องต่างๆสอนแม่เลี้ยงคนก็เกิดศรัทธาตามบวชกันได้ดุดพ้นได้บรรลุปเป็นพระอารหันต์กันพ่อก็ได้ดุจพ้นเจ็ดวันก่อนที่จะสิ้นพระชนก่อนที่จะเสด็จวันะคพรตพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดไปสั่งสอนธรรมสอนให้ปล่อยวางสอนให้มีดวงตาเห็นธรรม ก็ได้บรรล์เป็นพระอรหังเจ็ดวันก่อนสิ้นพระชนถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระหมหาจากักรพรรดิก็จะไม่สามารถสอนให้พ่อบุดพลได้นี่คือเรื่องของการไปทำความดีซึ่งบางครั้งอาจจะต้องอต้องขัดกับความคําสั่งของพ่อของแม่ก็ได้ อาการไปทําความดีไม่ไม่มีความเสียหายกับใครเสียหายก็ตรงที่พ่อแม่อาจจะเสียใจเพราะยังมีความหลงอยู่ยังหลงคิดว่าการบวชนี้เป็ น, เ ป, นเป็นการเดินถอยหลังคนที่ในทางโลกมักจะเห็นว่าการบวชนี้เป็นการเดินถอยหลังไม่ก้าวหน้ยไม่เ่ํารวยไม่ได้ลาบยศสรรเสริญ ว่าไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้ว่าการไปบวชนี้บวชเพื่ออะไรแต่คนที่รู้นี้จะอนุโมทนาเพราะแม่บางคนนี้พอรู้ลูกบวชนี้ดีใจเปิ่มใจพอรู้ว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าไม่ได้เป็นการเดินถอยหลังเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลง เพราะการบวชนี้เป็นการ เ, าเป็นการสร้างความสุขเป็นการดับความทุกข์นั่นเองโดยการร<ม>ักษาศีลละเว้นอบายามุขต่างๆอบายามุขนี้มันเป็นตัวที่จะทำให้เราทุกข์กันเพราะมันมีแต่ทำลายทรัพยากรที่เรามีอยู่มันไม่สร้างทรัพย์ให้กับเรามีแต่ทาลายทรัพย์ที่เรามีอยู่ มีเท่าไหร่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดดื่มสุรานี้ไม่มีรายได้ดื่มไปมีแต่รายจ่ายแล้วพอมึนเมาก็ไม่สามารถไปทางานทาการได้ถ้ามีงานก็จะต้องตกงานถ้าดื่มสุราแบบแบบติดสุราจะไม่สามารถไปทางานตามปกติได้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกไล่ออกจากงาน รายได้ก็ไม่มีมีแต่รายจ่ายต้องซื้อสุรามาดื่มเพราะเมื่อดื่มติดแล้วก็ต้องดื่มอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ได้ดื่มมันก็ทรมานใจแล้วถ้าดื่มไปมากๆก็ทำลายร่างกายทำให้ร่างกายมีโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังทำลายตับตับแข็งโรคตับแข็ง คนที่ติดชลานี้มักจะมีอายุไม่ยาวนานนี่คือไฟของอบายามุขทุกอบายามุขทุกชนิดไม่มีรายไม่มีรายรับมีแต่ลายจ่ายเล่นการพนันถึงแม้ว่าจะมีรายรับก็เป็นรายรับที่มันหลอกเราพอได้ก็อยากจะได้อีกก็เล่นอีกพอเล่นมากๆ ม, มันก็ต้องมีเสียพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นอีก ไม่ว่าจะได้หรือเสียก็ต้องเล่นเล่นไปในที่สุดมันก็ต้องเสียขาว่าขโมยขึ้นบ้านมันยังไม่ร้ายเท่ากับผีพนันขโมยขึ้นบ้านก็เอาแต่ข้าวของไปบ้านยังอยู่ที่ดินยังอยู่ไฟไหม้บ้านก็เอาแต่บ้านไปที่ดินยังอยู่แต่ผีพนันนี่มันเอาไปหมดไม่มีเงินเล่นก็ต้องขาย ขายข้าวของเงินทองขายบ้านขายช่องขายที่เล่นไปแล้วต่อไปอาจจะต้องเสียชีวิตเพราะไปกู้หนี้ยืมสินเขามาเล่นต่อแล้วถ้าไม่มีจ่ายเขาถ้าไปเจอพวกอันธพาลเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทำร้ า, ายเราหรือการเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูของแลเล่นต่างๆ เป็นการสูญเสียเวลาสูญเสียเวลาที่จะหาเงินเ้วก็ต้องสูญเสียเงินทองเวลาไปเที่ยวนี่ต้องเสียเงินเสียทอง mm hmm. การครบคนที่ชอบพวกอ บ, บายามุขนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าเราชอบ ค, คบคบคนที่เล่นการพ น, นันคบคนที่ดื่มสุราครบคนที่ชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปทําตามที่เขาชอบ เขาจะไม่ชวนเราไปทํางานหรอกเาจะไม่ชวนเราไปลงทุนไปทำมาหากินเขาก็าชวนเราไปเล่นการพนันชวนเราไป เ, าเที่ยวไปดื่มสุรานี่คืออบายมุขคือการครบคนคนพานคนคนง่อเป็นมิตรคนโง่อก็คือคนที่ชอบดื่มสุราชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบเที่ยวดูของนล้เล่นต่างๆ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือคนเกียรติค้านคนเกียดขค้านนี่ก็จะไม่ชอบทางานไม่ชอบหาเงินหาทองชอบชอบเที่ยวมากกว่างั้นเไม่ควรที่จะมีไม่ควรจะคบสิ่งเหล่านี้เพราะมีแล้วมันจะทำให้เราเสี่ยงต่อการไปทำบาปต่อไป พอเวลาเราไม่มีรายได้ไม่มีเงินทองใช้จ่ายบางทีก็ต้องไปเสี่ยงกับการทําบาปไปลักไปขโมยไปช่อโกงนี่คือเวลามาบวชจะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จะให้เราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแล้วเราจะไดท้ทำแต่สิ่งที่เป็นคุณแล้วเว้นการกระทําที่เป็นโทษ สิ่งที่เป็นคุณก็คือการทำบุญทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเราจะมีความสุขแลาก็ละเว้นจากการทำบาปละเว้นจากการเสพอบายามุกเราจะทำให้เราทุกข์กันแล้วข้อสุดท้ายก็ให้เรามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้กำจัดตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจ ทาการเกิดแก่เจ็บตายให้กับพวกเราอยู่ตลอดเวลาก็คือความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่ากิเลสความอยากก็คือตัณหาตัวเดียวกันเนะ่เพียงแต่ท่านแสดงวิธิลักษณะต่างกันไปแท่นันความอยากก็คือความโลภเนี่ยโลภ ก, ก็อยากได้อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความโลภเป็นการมาตัณหา อยากได้ลาบยกสรรเสริญก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอยากร่ำอยากรวยนี่อันนี้ก็เป็นความโลภแล้วก็ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากยากจนอันนี้ก็เป็น เหตุที่จะทำให้เราไม่สบายใจทุกใจกันถ้าเรากำจัดความอยากความโลภได้ใจเราจะสงบใจเราจะเย็นจะสบายจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดด้วยไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์มาทุกข์ ก, กับที่เรากำลังทุกข์อยู่ทุกวันนี้ ทุกกับการหาความสุขนั่นแหละหาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอหาได้แล้วเดี๋ยวก็หมดหมดก็ต้องหาอีกเวลาหานี้มันทุกข์นะอยู่ให้ใช้ไม่ได้พอได้มาก็สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หมดไปก็ต้องหาใหม่สู้หาความสุขจากการที่ไม่ต้องไม่มีความโลภความอยากดีกว่า จะทำให้เราอยู่เป็นสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขความสุขใจนะที่ที่เราไม่ต้องทำอะไรถ้าเรากําจัดความโลภความอยากได้ใจเราจะอยู่เฉยๆได้ยังมีความสุขไม่ต้องทำอะไรใจสงบใจสงบแล้วก็จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เรา ได้จากการทำตามความอยากต่างๆได้เงินมาล้านหนึ่งก็มีความสุขแต่สู้ความสุขที่เกิดจากการไม่อยากได้เงินล้านไม่ได้การไม่อยากได้เงินล้านนี่สบายกว่าเพราะถ้าอยากได้เงินร้านมันสุขเดียวๆพอได้ล้านนาทีอยากจะได้สองล้านแล้วความสุขที่เกิดจากการได้เงินล้านมาหายไปละพอเกิดความอยากจะได้อีกล้านหนึ่งขึ้นมา enfin, ก็ก็ต้องไปทุกกับการหาเหมืนเดิล้ ความสุขที่เกิดจากการไม่อยากได้เงินเลยนี่มันสบายกว่าเมื่อไม่อยากได้เงินแล้วก็ไม่ต้องไปริ่นนนไปหาเงินให้เหนื่อยยากแล้วก็ไม่เดือดร้อนเวลาใจสงบไม่มีความอยากได้เงินแล้วไม่ทุกข์เลยไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนลองมาทำความสุขแบบนี้ดีกว่ามาหยุดความอยากกันด้วยการฝึกนั่งสมาธิกัน การนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการหยุดความอยากเ <wh ore S 1> <kite> วลาเราหยุดความคิดความคิดมันก็จะไม่ไมพาให้เราไปอยากถ้าเราไม่คิดถึงเงนิน <cameras> เราก็จะไม่มีความอยากได้เงินถ้าเราไม่ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้เราก็จะไม่ได้อยากจะไปหาคนนั้นคนนี้ถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไม่ได้ไปอยากจะไปทาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามาหยุดความคิดด้วยการเจริญสติกัน ควบคุมใจไม่ให้คิดให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธเนพุโทโธพุทโธไปถ้าอยู่กับพุโทโธไปได้นี่มันจะลืมเรื่องอื่นไปเลยพอลืมเรื่องอื่นมันก็ความอยากก็เลือหายไปเลยแต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่หยุดพุดโทโธเมื่อไหร่พอไปคิดถึงเรื่องอื่นมันก็กลับมาได้สตินี้หยุดความอยากได้ชั่วคราว ยังหยุดไม่ได้ท้าววรแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเราต้องหยุดด้วยสติเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดจะหยุดด้วยปัญญานี่มันยากกว่าปัญญานี่ก็คือการพิจารณาให้เห็นว่าการทำตามความอยากต่างๆนั้นนำไปสู่ความทุกข์ในบ้านปลายเป็นความสุขตอนต้นเวลาอยากได้อะไรพอไปได้ไปหามาพอได้มาก็สุขใจ แต่พอมันหายไปมันหมดไปความทุกข์ใจก็จะตามมาคนที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นเห็นตอนปลายไม่เห็นตอนปลายจะเห็นแต่ตอนต้นเห็นอะไรอยากได้ขึ้นมาก็รู้ว่าก็คิดว่าดีได้มาแล้วจะมีความสุขมันก็เป็นความสุขขณะที่ได้และขณะที่มีพอไม่มีแล้วนะตอนนั้นนะมันถึงจะเห็นความทุกข์ตามมาที่หลัง มั น, นยากกว่าเพราะนัขั้นแรกนี้หยุดความอยากด้วยการใช้สติไปก่อนอย่างน้อยให้ใจมีความสุขก่อนให้ใจรู้ว่ามีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทําตามความอยากเพื่อจะได้มีกําลังใจที่จะสู้กับความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้ด้วยสติขั้นต่อไปเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยาก อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่าอยู่แบบไม่มีความอยากรับสบายใจกว่าไม่ต้องไปดิน้นรนให้เหนื่อยยากได้มาแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วถ้ารักษาไม่ได้สูญเสียไปก็ทุกข์อีกทุกข์ตั้งแต่อยากได้ทุกข์ตั้งแต่ได้มาได้มาก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาอีกแล้วเวลาสูญเสียไปก็ต้องทุกข์อีก ไม่แต่ทุกตลอดเวลาเรื่องของการทําตามความอยากเนี่ยจากเรื่องของการไม่ทําตามความอยากนี่ ส, สุขตลอดเวลาเวลาไม่มีความอยากนี่อยู่อยู่ตรงไหนก็เป็นสุขไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรใจก็มีความสุขตลอดเวลาอันนี้เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดด้วยเพราะมันไม่มีวันจากเราไป เพราะมันเป็นของที่อยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่มันไม่ได้เป็นของภายนอกของภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่เราได้มานี้มันเป็นของเราชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องต้องจากกันไม่จากตอนเป็นก็จากตอนตายบางทีข้าวของเงินทองก็หมดก่อนที่เราตายก็มีบางทีก็หมดตอนที่เราตายพอเราตายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ เอาแต่ความอยากไปความอยากที่จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทุกข์กับการหากับการรักษากับการสูญเสียใหม่นี่คือความทุกข์ที่พวกเราอยู่และพบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะพบนี้ชาตินี้เท่านั้นยังมีพบหน้าชาติหน้าอีกหลายพบชาติที่จะตามมาถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้ มีพระพุทธเจ้าพระสาวกทะนะ่านที่ท่านไม่ต้องกลับมาทุกข์เหมือนพวกเราเพราะท่านหยุดความอยากเหล่านี้ได้หยุดด้วยสติหยุดด้วยปัญญาท่านจึงเอามาสอนพวกเราสอนให้พวกเรามาหยุดสติมาหยุดความอยากด้วยสติด้วยด้วยปัญญากันเถอะแล้วเราจะสบายเราจะมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไร เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันจากเราไปจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเราอีกต่อไปเพราะเราจะไม่มีการสูญเสียอะไรไม่มีการพลาดท่าจากอะไรที่เรารักือความสุขที่เราได้ในใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดให้ความอิ่มความพอไม่มีความอยากได้อะไรต่อไป นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ามาทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้ประโยชน์มากกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากพ่อแม่พ่อแม่ก็ให้เราประโยชน์อย่างมหาศาลประโยชน์ที่สูงสุดในโลกนี้คือชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับชีวิต ต, ต่อให้มีเงินทองร้อยล้านพันล้าน ถ้าไม่มีชีวิตเงินลาอทองร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปใช้ไม่ได้ต้องมีชีวิตต้องมีร่างกายถึงจะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากลาบยศสารเสนได้ดงน้นสิ่งที่พ่อแม่ให้เราเนี่ยเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเขาเอาเงินร้อยล้านมาแลกกับชีวิตเราเราอยากจะ ยอมแลกไหมก็อบอกอยากจะเอาเครื่องในเราไปถ่ายขอซื้อชีวิตเราร้อยล้านเพื่อจะได้เอาหัวใจไปเปลี่ยนเอาตับไปเปลี่ยนเอาไตาไปเปลี่ยนเราอยากจะยอมแลกกับเงินร้อยล้านหรือเปล่านี่ก็ให้พูดเปรียบเทียบดูให้คิดดูว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้กับเรานี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้าน เวลาพ่อแม่ไม่มีมรดกทิ้งให้เราแม้แต่บาทเดียวเราอย่าไปเสียใจเพราะมรดกที่พ่อแม่ให้เรานี่มันมีมากกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านอยู่แล้วเพราะเมื่อเรามีร่างกายนี่เราสามารถหาเงินร้อยล้านพันล้านได้อย่างมาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเขาหาเงินเป็นแสนล้านได้เพราะอะไรเพราะเขามีร่างกายที่พ่อแม่ให้เขามาถ้าพ่อแม่ไม่ให้ร่างกายเขามาเขาจะมาหาเงินร้อยแสนล้านหมื่นล้านได้ไหม ไม่ได้หรอกเราะงั้นพวกเรานี้ถือว่าเราได้รับของขวัญที่มีคุณค่ามหาศาลยิ่งกว่าเงินแสนล้านอยู่แล้วจากพ่อแม่ของเราเราจึงไม่ควรที่จะไปหวังอะไรจากพ่อแม่อีกอย่าไปหวังมรดกเวลาพ่อแม่ตายอย่ามาแย่งมรดกกันเพราะมรดกที่พ่อแม่ให้เรานี้ที่ไม่มีใครแย่งไปได้เราได้กันแล้วทุกคนก็ได้ชีวิตได้ร่างกายของเรา ส่วนเงินทองนี่ถือว่าเป็นของแถมได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมถ้าเขาไม่แบ่งให้เราก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีปัญญาเราหาเองได้เงินทองถ้าไม่มีปัญญาได้เงินมาเท่าไหร่เดี๋ยวก็ใช้หมดอยู่ดีคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีปัญหาเวลาพ่อแม่ตายไปนี่เราจะไม่ต้องมากังวลว่า พ่อแม่จะแบ่งมรดกให้คนนั้นคนนี้เท่าไหร่มากน้อยเพียงไรพ่อแม่ให้เราทุกคนเท่าๆกันแล้วของสําคัญของที่มีคุณค่าที่สุดก็คือชีวิตเนี่ยพ่อแม่ให้กับลูกๆทุกคนหมดเท่ากันหมดแล้วส่วนเงินทองที่เหลืออยู่นี่ก็แล้วแต่พ่อแม่เห็นสมควรเห็นว่าถ้าให้คนนี้แล้วเดี๋ยวหมดก็ไม่ให้ให้ก็ให้น้อยหน่อยให้คนที่สามารถเก็บรักษาไว้ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์แก่ครอบครัวแก่พี่น้องต่อไปได้จะดีกว่าเผื่อน้องเป็นอะไรไปพี่ที่ได้เงินจากพ่อแม่มาก็อาจจะมาช่วยเหลือดูแลน้องต่อไปได้ถ้าพี่เป็นคนที่รู้จักเก็บเงินรู้จักใช้เงินพ่อแม่ก็อาจจะให้เงินกับพี่มากหน่อยน้องที่ไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักเก็บเงินรู้แต่ใช้เงินเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวมันก็หมด แล้วหมดได้ไเวลาเดือดร้อนก็ไม่มีใครจะมาช่วยเหลืออันนี้ก็เพียงแต่พูดด้วยเปื่อยพูดถึงเรื่องพระคุณของพ่อแม่ที่ให้สิ่งต่างๆกับพวกเราดังั้นพวกเราไม่ควรที่จะไปจ้องรอรับมรดกมรดกที่แท้จริงเราได้มาตั้งแต่วันเกิดแล้วส่วนของที่เหลือของที่พ่อแม่ทิ้งไว้หลังจากที่พ่อแม่ไปแล้วนั้นก็ ถือว่าเป็นอของแถม ก, ก็แล้วกันเหมือนกันเราไปเต้มน้ํามันสิ่งที่เราต้องการก็คือน้ํามันของแถมเช่นสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันได้ไม่ได้ก็ไม่สําคัญเท่าไหร่เราได้น้ํามันไว้สําหรับขับเคลื่อนรถยนต์ก็พอแล้วอของแถมไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยันใดวัสดกที่พ่อแม่จะทิ้งไว้ให้กับเราก็ให้เรามองว่าเป็นเหมือนของแถมก็แล้วกัน ได้ก็ดีไม่ไดก้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไปจ้องเอามรดกถ้าเกิดเราได้น้อยหน่อยแล้ว เ, เราจะโกรธพ่อโกรธแม่ขึ้นมาทันทีแทนที่เราจะลืมบุญคุณพ่อ ล, ลืมคุณแม่เลยกลับไปโกรธพ่อโกรธแม่เพราะว่าให้น้อยน้อยหรือให้ไม่พอใจไม่พอใจกับที่เราต้องการาลืมไปว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้เรามาแล้วนี่มันมีคุณค่ามาหาศาลป่ามรดกที่ทิ้งมาให้ คือเงินทองให้ชีวิตเรามาแล้วที่มีก่าเยอะแยะลืมเลวันนี้ไปว่ามาดูของของแถมแถมทนที่จะดูน้ำมันที่พ่อที่เราได้จากการเติมน้ำมันแล้วกลับไปดูของแถมว่าได้สบู่หรือยังไม่ไปดูในถังน้ำมันว่าเขาเติมน้ำมันให้หรือยังนี่เกิดเรื่องพระคุณของพ่อแม่และการตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ ไม่ว่าพ่อแม่จะทิ้งมรดกให้เราหรือไม่ท่านล้เราแล้วเราต้องไม่ไม่ไมควรโกรธพ่อโกรธแม่ถ้าเราไม่ได้รับมรดกอะไรเลยจากพ่อแม่เพราะเราได้แล้วได้ชีวิตแล้วที่เป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่ามรดกต่างๆนี่ก็เรื่องของลูกหน้าที่ของลูกกับต่อพ่อแม่ ต่อไปถ้าพ่อแม่อายุมากไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเลี้ยงดูกันอย่าให้ใครก็พูดว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้มันมีนะเพราะว่าลูกๆ ล, ลืมบุญคุณของพ่อแม่มัวแต่ไปกังวลเลี้ยงครอบครัวของตนเองต่างคนก็ต่างเกลียดกันพี่ก็เกลียดให้น้องน้องก็เกลียดให้พี่ ต่งคนก็ต่างเกลียดว่ามีภาระหน้าที่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลยพ่อแม่เลยไม่มีใครเลี้ยงดูอันนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเรารำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่แล้วเราจะไม่เกลียดเราจะแย่งกันถ้าไม่มีใครทำเราถือว่าเราได้บุญเราได้ได้บุญมากได้ทาคนเดียวได้ทดแทนบุญคน เ, เ, เราจะได้สิ่งตอบแทนที่ดีกว่า กจากการที่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เราได้บุญได้กุศลตายไปเราจะได้ไปเกิดในสุคติก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอ e ุปกาปติ อิทิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัเพปเรนตุสังกภาจันโทปนะระโยธามณิโชติระโยธาสัพพติโยวิวาจจันตุสภโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะ อาพิวาทานสีลิตสะนิจังวุทธาปจายจิโนจตารุธรรมะวะทานติอายุวันโอสุขังภาลังผู้ชายมีอะไรอยากจะถามบ้างไหมนี่ค่ะขออ <c oughs> นุญาตถามอ่จาเชิญสงสัยในการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานสี่นะคะ่าเรา ยังไงแล้วก็คือสับสนระหว่างการบริกรรมกับการตามรู้อาการทางกายอะไร่งคือสติปัฏฐาน4นี่มันสอนตั้งแต่การเจริญสติแล้วก็การนั่งสมาธิแล้วก็การเจริญปัญญางั้นเราต้องเรียนทีละขั้นแต่เวลาเราอ่านพระสูตรนี่มันเรียนอ่านทั้ง4ขั้นเลยสามขั้นเลยเราก็เลยสับสน คั้นแรกที่เราต้องฝึกก็คือสติสติก็คือคือเครื่องที่จะมาควบคุมใจไม่ให้คิดไม่ให้ลอยไปกับอดีตอนาคตไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แลเราก็ต้องใช้คำบริกรรมก็ได้เรื่อการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาที่เราทำงานทำการผูกใจไว้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหว ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเป้าหมายก็คือให้หยุดความคิดเรามักจะทำสองอย่างควบคู่กันไปทำงานไปก็คิดว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวไปซื้อกระเป๋าดีไมมวันนี้ไปซื้อรองเท้าดีไหมอะไรไม่ให้คิดเรื่องราวเหล่านี้ให้อยู่กับงานที่เราทำที่กำลังฉีดยาก็ให้อยู่กับการฉีดยาเวลาสั่งยาก็ให้อยู่กับการสั่งยายอย่างเดียวให้ทางานอยู่ใน ปัจจุบันให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าเป็นการเจริญสติให้อยู่ที่เดียวไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันถ้าเราคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจิตก็จะอยู่ในปัจจุบันหรือถ้าเราจะใช้คําบริกรรมพุโทโธก็ได้ถ้าเราบริกรรมพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมาได้ คือหยุดความคิดได้เป้าหมายของการเจริญสติก็คือต้องการหยุดความคิดเพราะว่าเวลาเรานั่งสมาธิใจเราจะสงบไม่สงบ ก, ก็อยู่ที่ว่าใจคิดหรือไม่คิดถ้าใจไม่คิดใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นม า, างนั้นขั้นแรกต้องฝึกสติเวลาลืมตาขึ้นมาก็ให้มีสติเลยจะพูดโทไปเลยก็ได้ พอตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ำํำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ให้ไปคิดถึงอะไรนอกจากมีความจําเป็นที่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องคิดก็คิดได้ก็หยุดหยุดการกระทาไม่เชั่อข่าวหยุดยืนเฉยๆเรื่องนั่งเฉยๆแล้วก็คิดให้พอคิดว่าวันนี้จะต้องไปทําอะไรมีธุระกับใครที่ไหนอย่างไรพอคิดเสร็จแล้วรู้แล้วต้องทําอะไรขณะที่ไปเตรียมตัวก็หยุดคิดได้แล้ว ก็อยู่กับการเตรียมตัวไปอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ถ้ามันไม่ยอมหยุดคิดก็ใช้พุทโธช่วยอาบน้ำไปก็พุทโธไปแปรงฟันไปก็พุทโธไปก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นการจเจริญสติต้องมีสติก่อนถึงจะนั่งสมาธิได้จิตถึงจะสงบง ทีนี้สมมติว่าเรามีเวลาว่างแล้วเรานั่งมีเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิถ้าเราจะใช้การดูลมหายใจแทนดูร่างกายก็ได้ละเพราะตอนที่เรานั่งเฉยๆร่างกายไม่ได้ทําอะไรแล้ะก็เหลืออยู่แต่ลมหายใจเข้าออกพระเจ้าก็บอกให้นั่งดูลมหายใจเข้าออก mm. ให้จิตมีอะไรเกาะไว้ให้มีงานทำถ้ามันไม่มีงานทำเดี๋ยวมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm. ก็เลยให้มัน ทำงานกับการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปบังคับลมลมจะอยากหรือลมจะละเอียดจะสั้นจะยาวก็ไม่ต้องไปบังคับปล่อยให้ลมหายใจของเขาตามปกติเขาไปเราเพียงแต่มีหน้าที่อาศัยลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆ อาศัยการเฝ้าดูลมเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราสามารถเกาะติดอยู่กับนมได้อย่างต่อเ น, นื่องเดี๋ยวจิตเราก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบเหมือนตกหนุมตกบ่อแล้วก็นิ่งสบายมีความสุขนี่เรียกว่าสมาธิพอจิตสบายมีความสุขจิตปล่อยวางไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆถึงแม้ร่างกายอาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แตใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ลาคลาย ว่าใจมีความสงบมีความสบายอันนี้ก็ขั้นแรกของมหาสติปฐานก็คือการฝึกสติกสมาธิพอเราได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาขณะอยู่ในสมาธิก็ให้มันนิ่งไปนานๆให้มันเฉยไปนานๆพอออกมาเราต้องการเจริญปัญญาเราก็มาพิจารณาร่างกายเป็นจุดแรกก่อนพิจารณาว่าร่างกายเราเที่ยงหรือไม่เที่ยง เหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนแปลงหรือไม่ดูวันที่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้ววันนี้เป็นยังไงแล้วอีกสิปีข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนวันนี้ไหมก็แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราบางังคับมันได้เปล่าสั่งมันได้เปล่าสั่งให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้ไปตลอดได้หรือเปล่า หรือว่าเดี๋ยวมันต้องแก่แเดี๋ยวมันต้องเจ็บเดี๋ยวมันต้องตายหรือเปล่าอันนี้ก็คือพิจารณาตายหลังให้พิจารณาเห็นคุณสมบัติของร่างกายว่ามันเป็นไตายรักหนึ่อนิจจังไม่เที่ยงสองอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ 3. ถ้าเราอยากให้มันถ้าเราอยากจะไปควบคุมมันเราจะทุกข์ทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราอยากไม่แก่แล้วมันแก่เราทุกข์ไม่แก่ ถ้าราอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอมันเจ็บไข้ได้ป่วยเราทุกข์รือเปล่าถ้าเราไม่อยากตายพอมันตายเราทุกข์รู้เปล่าก็แสดงว่าความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดจากความอยากของเราแต่ถ้าเราพิจารณาว่าเราห้ามมันไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ยอมรับความจริงอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราต้องการมาสอนใจให้รับความจริงของร่างกายให้ได้ อวามนิจใจเราไม่ยอมรับความจริงยังอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันเราจึงทุกข์กันแต่ถ้าเราสอนใจบ่อยๆว่ามันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายตไปได้อันนี้เรียกว่าการพิจารณาปัญญาเจริญปัญญาให้เห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราเราก็กลุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ แล้วมันก็ไม่มีเราไม่มีอยู่ในร่างกายนี้เราค้นหาดูว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายว่าตรงส่วนไหนเป็นตัวเราบ้างผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่าเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นเราหรือเปล่าป่อไตลำไส้นี่เป็นเราหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาค้นหาตัวเราในร่างกายก็จะไม่มีเราก็จะได้ข้อสรุปว่าร่างกายนี้มันมีแค่อาการ32 แล้วมันก็ทํามาจากอะไรทํามาจากธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปมีธาตุดินข้าวมาอย่างไรน้ําที่เราดื่มมันเป็นธาตุน้ําหรือเปล่าลมที่เราหายใจเข้าไปมันเป็นอะไรธาตุลมความนอนที่มีในร่างกายมเป็นธาตุไฟใช่หไหมเมื่อมันมารวมกันมันก็เลยทําให้มีผมขนเล็บฟันขึ้นมาเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำเข้าไปมันเหมือนกับอ เขาเรียกอะไรส่วนส่วนประกอบของรถยนต์เนี้เวลาเขาจะผลิตรถยนต์เขาก็ต้องมีชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปส่งไปเข้าไปในโรงงานแล้วก็ประกอบมันขึ้นมาเป็นตัวรถยนต์ร่างกายของเราก็มีชิ้นส่วนก็มีอาหารนี่แหละที่เข้าไปไปสร้างชิ้นส่วนขึ้นมาในร่างกายไปสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันขึ้นมาสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างเอ็นขึ้นมามาจากดินน้ำลมใส่ที่เราเอาเราเสกเข้าไป แล้วพอร่างกายหยุดทางานไออาการสารสังสงนี้มันก็จะสลายไปแยกไปเป็นดินน้ำนมไฟไปน้ำอยู่ในร่างกายก็จะไหลออกมานมก็จะระเหยออกไปความร้อนก็จะจางหายไปที่เหลืออยู่ก็กลายเป็นดินทิ้งไปนานๆเข้ามันก็มีแต่กระดูกหนังที่แห้งกรอบทิ้งไว้นานๆมก็ผุเปื่อยกลายเป็นดินไป ใพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสาสองเราผู้พิจารณาไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับรถยนต์เราใช้รถยนต์นี้พาเราไปไหนมาไหนเราต้องการไปเที่ยวก็ต้องมีร่างกายนี้ไปต้องการดูต้องการฟังก็ต้องมีตาหูของร่างกายเราเป็นเพียงแต่คน คนขับรถ ด, ด้วยคนสั่งให้ร่างกายทําตามที่เราสั่งเราเป็นนายไงกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวมารวมกันตอนที่เกิดแล้วเดี๋ยวแยกกันตอนที่ตายพอตายร่างกายก็ไปสืนกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟใจก็ไปต่อถ้ามีความอยากก็ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ทําตามความอยากใหม่แต่ถ้าสามารถตัดความอยากได้ ไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่เกิดใหม่ก็เรียกว่าไปนิพพานแทนอันนี้ก็คือปัญญาขั้นแรกต้องพิจารณาเรื่องของร่างกายเพื่อให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ขั้นที่สองการพิจารณาเวทนาความรู้สึกของร่างกายมีสามอย่างมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอ น, นิจจังมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่สุขไปตลอดมันไม่ทุกข์ไปตลอด เดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์จลับกันไปหมุนเวียนกันมาเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เวลาสุขจะสั่งให้มันสุขไปตลอดไม่ได้เวลาทุกข์จะไปสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้ถ้าอยากให้มันหายก็ทุกข์อีกทุกข์ทางใจอีกทุกข์ทางกายแล้วยังต้องมาทุกข์ทางใจเพราะอยากจะให้ความทุกข์ทางกายหายไปที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราอยากให้ความทุกข์ทางกายหายไป ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์ทางทางใจเราก็ต้องยอมรับความจริงของของความทุกข์ทางร่างกายว่ามันทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับเองมันไม่ดับก็อยู่กับมันไปถ้าเราไม่อยากให้มันหายทุกข์เราจะไม่ทรมานใจเราจะอยู่กับมันได้ถ้าเรามีปัญญามีสติใจเราจะมีกําลังที่จะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปฏิกิริยากับความทุกข์ทางร่างกายได้ จะสักแต่ว่ารู้ได้รู้เฉยเฉยรู้ว่าตอนนี้ร่างกายทุกนะรู้ว่าตอนนี้ร่างกายสุขนะรู้ว่าร่างกายตอนนี้ไม่ทุกไม่สุขแต่ใจเราจะไม่มีความอยากกับมันมันสุกก็ปล่อยมันสุกไปมันหมดก็ก็ปล่อยมันหมดไปมันทุกมาก็ก็รู้ว่ามันทุกก็อยู่กับมันไปถ้ามันหมดก็รู้ว่าหมดไปถ้าเราควบคุมใจให้เฉยได้ต่อไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกาย อันนี้ก็หยุดความอยา ก, กขั้นหนึ่งหยุดความอยากไม่เจ็บไม่ตายหยุดไม่เจ็บไม่ไม่ตายได้เราก็จะผ่านปัญหาของทางร่างกายไปส่วนหนึ่งนะนี่ปัญหาของทางร่างกายยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรายังติดอยู่ก็คือความสวยงามของร่างกายโดยเฉพาะร่างกายของคนอื่นพอเราเห็นร่างกายของคนอื่นที่สวยงามแล้วก็อยากได้อยากได้มาเป็นแฟนอยากจะมาให้เขามาให้ความสุขกับเรา เราก็ต้องพิจารณาดูเวลาร่างกายมันไม่สวยเป็นยังไงเวลาร่างกายตายนี่เรายังอยากให้เขามาเป็นแฟนเราหรือเปล่าเวลาที่เราชันสุตดูร่างกายของเขาผ่าศพนี้ดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเราก็จะไม่เห็นว่าสวยงามเราก็จะดับอารมณ์อยากที่จะได้เขามาเป็นแฟนได้ อันนี้ก็เป็นการดับความอยากอีกชนิดหนึ่งด้วยการพิจารณาอสุภะนี่คือปัญญาที่สอนในสติปัฏฐานนี่คือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเวทนากับกายพอเราผ่านเรื่องเวทนากับกายได้เราก็เข้าไปสู่ขั้นจิตต่อไปเราก็ยังไปหาความสุขในจิตจิตสงบเราก็มีความสุขพอจิตไม่สงบเราก็ทุกข์เอง เราก็ต้องพิจารณาว่าจิตมันก็มีทั้งสงบไม่สงบเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกันอนัตตาเราไปบังคับมันไม่ได้เหมือนกันมันจะสงบก็สงบบางทีมันก็ไม่สงบเราก็ต้องยอมรับว่าสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าอยู่กับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเองนี่คือเรื่องของมาสติปฐานสี่ ส่วนธรรมก็คือธรรมที่เราใช้ในการที่จะมาพิจารณาปัญญามามาปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากนี่เราก็พิจารณาดูว่าเรามีสติหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่า mm. เรารู้หรือเปล่าว่าจิตทุกของจิตเกิดจากอะไร mm. เกิดจากความอยากอริยสัจสี่ความทุกของเราเกิดจากความอยาก mm. วิธีดับความทุกข์ก็คือต้องมีสติปัญญา ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางอย่างเดียวพอปล่อยวางก็ก็อยู่กับเขาได้อย่างสบายเขาจะมาเขาจะไปเขาจะเกิดเขาจะดับก็ไม่ทําให้เราทุกข์อีกต่อไปเขา้าใจยังอันนี้มันหลักสูตรเปน็นหลักสูตร <Okay. S 1> แต่อย่าไปปฏิบัติทีเดียวพร้อมกันหมดมันทําไม่ได้ การแรกในฝึกสติให้ได้ก่อนควบคุมความคิดหยุดความคิดนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ได้ไม่สามารถจะสั่งคิดให้คิดไปทางปัญญาได้พราะกิเลนไม่ยอมไม่คิดกิเลนมันอยากจะให้เราคิดแต่เรื่องสวยๆอ่างามคิดแตเ่เรื่องของอของความเที่ยงแท้แน่นอนเห็นอะไรก็เที่ยงแท้แน่นอนเห็นอะไรก็เป็นของเราเราสามารถควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ มันจะหลอกให้เราคิดอย่างนี้แล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์กันแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกข์เพราะความอยากของเรานีอ่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ความจริงเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ทุกข์กันเข้าจเยแล้วตอบสอบถามอาจารย์ตอบว่าอย่างเช่นคาว่าการพิจารณาเนี่ยมันคือการที่เรานึกนึกออกเอาจากจากสัญญาจากความรู้เราหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ มันผูดรู้ขึ้นมาเองอย่างเช่นว่าอย่างเช่น <c oughs> สมมติเราพิจารณาอาการสาดทีสองเนี่ย <c oughs> แต่เราไม่รู้จักไอ้บางไอ้ว่ามังโตหรเราจําได้ไม่ครบว่าสา อ, อาการที่สองมันมีอะไรบ้างหรืออย่างเราพิจนารณาเนะว่าสี่เก้าเนี่ยแต่เราไม่รู้จักว่าศพลักษณะแบบเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันเละหรือมันกระจายกระจายอย่างเ ง, ง, งี้ยแล้วเวลาเราพิจารณาเนี่ยครับเราจะเอาอะไรไปพิจารณาหรืเมื่อเราอาจจะไม่ทราบอะครับอ่าก็ ไปดูของจริงสิไปดูศพ ส, สิหรือว่าก็เราเขาเขียนบรรยายมาเราก็จินตนาการได้ไม่ใช่ศพที่ขึ้นอื่นเป็นยังไงเน้อศพที่ถูกแร้งกากัดเนี่ยไปเนื้อขาแขนไปคนละทิศคนละทางอย่างนี้มันก็จินตนาการนึกไปได้ถ้าไม่เหมือนสมัยก่อนเขาพระจะไปเยี่ยมป่าช้ากันไปดูของจริงกัน สมัยนี้าพาะเขาก็ไปดูชันสูตรกันเมนื่ออาทิตย์ทแล้วก็มีพระจากวัดมากจันก็ไปดูผาศพที่จุลามาเร า, าอยากจะดูอวัยวะข้างในดูของจริงซึ่งบางทีเดี๋ยวนี้เราจะไปดูของจริงก็ได้เดี๋ยวนี้ภาพถ่ายก็มีเยอะแยะภาพถ่ายทางอินเทอร์เน็ตก็มีหรือจะดูพวกอนา t o มีเป็นหนังสืออน a t o m y ก็ได้แต่มันจะไม่เป็นภาพถ่ายแต่เป็นภาพวาดที่มันดูแล้วมันก็เหมือนของจริง พอเราเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเท่านั้นเองเพื่อให้เราละหยุดความหลงไหลาลากไข้ในร่างกายของคนอื่นเท่านั้นเองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีการอารมณ์ส่วนใหญ่เวลาเราเห็นคนอื่นเราไม่เห็นตับตายไส้พองของเขาใช่ไหมเวลาเห็นดาราภาพยนตร์นี่เห็นตับตายไส้พุงของเขาเป่ามันถึงหลงไหลคลั่งคล้ายกันถ้าเกิด ผิวหนังนี้มันมันใสมันถูกพลาสติกนี่จะมีใครลหลงไหลข้างใครกับร่างกายนี้แะได้เห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นลำไส้อะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นการศึกษาเหมือนกับการศึกษาแพทย์ในทางแพทย์เลยเรื่องทางร่างกายนี้วือาศึกษาลึกกว่าของทางแพทย์คือศึกษาจนจนจําได้ไม่หลงไม่ลืมของทางแพทย์นี่ศึกษ า, าเฉพาะเพื่อสอบเท่านั้นพอสอบเสร็จก็ไม่คิดถึงมันนะ จะคิดถึงก็ต่อเมื่อเวลาต้องไปผ่าตัดหรือต้องไปทําอะไรเท่านี้แต่เวลาอื่นไม่ไม่คิดถึงมันเลยเวลาเห็นร่างกายคนคนอื่นก็จะเห็นว่าสวยว่า ง, งามไปแต่ถ้าถ้าสําหรับทางวิปัสสนานี้มันต้เห็นทุกเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิแล้วคิดถึงมันนีต่อไปมันจะเห็นคนทุกคนนี้เห็นตับไตไส้พุงเห็นโครงกระดูกเขาตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเพราะว่าเหมือนอย่างอย่างหลวงพุฒ ม, ม่านในประวัติหลวงพุฒ ม, มานในที่ท่าน เห็นเห็นเห็นคนทั่วไปประมาณเห็นเห็นแต่คนเป็นกระโหลกเต็มไปหมดเนี่ยอาการนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลังจากปั่นยาเกิดแล้วการนึกบ่อยๆนึกเหมือนท่องจําเนี่ยนึกบ่อยๆพแล้วก็เอามาใช้เวลาเห็นกายก็ต้องนึกถึงโครงกระดูกเขานึกถึงสิ่งเวลาเราเห็นหน้าเห็นตาเราเห็นกะโหลกศีรษะของกันและกันหรือเปล่าคนที่นึกบ่อยๆเขาจะเห็นเพราะเขาไม่ดื้ เราก็เห็นพอมองหน้าใครก็อมองทะลุไปก็เห็นเึงแต่ผิวหนังหุ้มหุ้มกระโหลกศีรษะเนี้ยต้องดูบ่อยๆคิดบ่อยๆจนกระทั่งมันฝังในจิตสํานึกเรา <c oughs> เป็นจิตใต้สํานึกไปเหมือนเงินเท่านี่เราต้องคิดมไหม <c oughs> พอนึกถึงร้อยบาท <c oughs> ก็เห็นธนบัตรร้อยบาทโผล่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปเห็นของจริงเลยใช่ไอม นึกบ่อยๆต่อไปมันก็จะจำได้วเวลามันมองใครมันจะมองเห็นอาการ32เห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นดินน้มลมไฟมันจะไม่เห็นว่าเป็นนายกรนายขอเป็นหญิงเป็นชายอันนี้เป็นความรู้ที่เป็นความรู้ปลอมความรู้จริงก็คือเนี่ยอาการ32เนี่ยดินน้ามลมไฟเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแ ต, แต่เรากลับไปชวนหญเราไปสนใจกับความรู้ปลอมกัน ตนนี้ชื่ออะไรเรียนจบจากที่ไหนทํางานที่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ความรู้จริงของคนนี้มองไม่เห็นเลยไม่เคยมองเลยว่าเขามีอาการ312เขาเกิดแก่เจ็บตายอพอมีคนตายทีลงข่าวหน้าหนึ่งเลยใช่ไหมโอ้ยเป็นข่าวใหญ่ไเลยแต่สำหรับคนที่พิจารณาตั้งกายอยู่ตลอดเวลาเขารู้อยู่แล้วตายกันทุกคนออ ไม่ต้องมาลงข่าวหรอกของนี้มันเรื่องธรรมดาอ่าใจไหมเราต้องมองอี ก, อกมุมหนึ่งเรามองเราผิดมุมกันเราไปมองมุมสมมุติสมมุติก็คือชื่อฐานะสถานะภาพาเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรไปไม่ได้มองความจริงของร่างกายเลยว่าเรากําลังมองอาการสาสิบสองนะส่วนที่เราเห็นก็มีแค่อาการคือผมขนเล็บฟันหนังทนั้นเอง ถ้าเราอยากจะเห็นอาการอื่นเราก็ต้องนึกเอาบ่อยๆใต้หนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีมา้ามีหัวใจมีตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยต้องมาท่องจำไว้ก่อนต้องทำบ่อยๆแล้วก็นึกถึงภาพบ่อยๆเข้ า, าไปมันก็จะเห็นแล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปยนเคยเห็นความจริงของร่างกายเราเป็นเห็น ความปลอมของร่างกายไปเห็นชื่อเห็นสถานภาพเห็นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเป็นมีฐานะอะไรเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นผู้ว่าเป็นอะไรเห็นเวลาเจอกันีมักจะมองกันทางนี้ใช่ไหมเป็นหมอเป็นพยาบาลแต่ไม่เห็นอาการสาสสองเลยไม่เห็นเกิดแก่เจ็บตายเลยไม่เห็นดินน้ำลมไฟเลย เรามาสอนความจริงของร่างกายใหม่มาเรียนครับมาเรียนรูค้ความจริงของร่างกายใหม่เพื่อเราจะได้ไม่หลงครูบาอาจารย์ครับอยากจะขอคำแนะนําครูบาอาจารย์เรืเกี่ยวกับตัวในส่วนที่เป็นเจต ว, วิมุตติในส่วนที่เป็นเจตวิมุตกับตัวท่านปัญญากับเรื่องของตัท่ปัญญาวิมุตติครับอาจารย์มัีข้อแตกต่างอะไรในระหว่างสองอย่างเพราะว่าบางท่านก็จะปฏิบัติ ในเรื่องของการพิจนะารณากายใช่ไหมครับแล้นก็พิจารณาเรื่องของปัญญาแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ในจุดๆดเดียวกันนะครับคือตามที่ได้อ่านจากหนังสือที่หลวงปู่มัน่นที่เขาบันทึกคําสอนของหลวงปู่มัน่นเกี่ยวกับเจโตกับปัญญานี่เท่านว่าคือการจะบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องมีทั้งเจโตถ้ามีทั้งปัญญาเจโตก็คือสมาธิแล้วก็ปัญญาก็คือเนี่ยการเห็นอริยาสัจสี่เห็นไตรลักษณ์เนี่ย อันนี้เป็นพื้นฐานของการหลุดพ้นต้องมีไม่ว่าจะเป็นเจโตวิมุตต์หรือปัญญาวิมุตต์คำว่าเจโตวิมุตต์นี่หมายถึงคนที่มีความสามารถพิเศษทางสมาธิเช่นพวกที่มีอภิญญาต่างๆมีตาทิพหูทิพระลึกชาติได้เห็นอ่าอนวาลจิตของผู้อื่นได้ติดต่อกับเทวดาได้พวกนี้เรียกว่าเป็นพวกเจโตมีอภิญญา แต่อภิน ญ, ญานี้ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ดับกิเลสได้แต่แต่เอามาใช้ทําประโยชน์ที่หลังได้ mm hmm. เช่นบรรลุแล้วสามารถติดต่อกับเทวดาสอนเทวดาได้อย่างพระพุทธเจ้านี้สอนเทวดาเพราะท่านมีเจโตเนี่ยมีมีพลังจิต ท, ทางด้านอภิญญาแต่คนที่ไม่มีเจโตไม่มีอภิญญานี้แต่มีอัปปนาสมาธินี่ก็พอแล้วก็จะรย นังสมาธิจิตรวมเป็นสักแต่ว่ารู้อันนี้เรียกว่าสมาธิเป็นฐานของปัญญาได้แล้วพอปัญญาก็พิจารณาแค่แคบงแคบแคก็พอพิจารณาในสติปัฏฐานสีเนี่ยพิจนารณาร่างกายเวทนาจิตว่าเป็นไตายรักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะอันนี้ทานนี้ก็หลุดพ้นได้แล้วแต่สำหรับพวกที่ปัญ เป็นปัญญามีมุตต์นี่เขาเป็นมีความสามารถพิเศษคิดได้ลึกซึ้งพิสดารกว่านี้ก้างกว้างกวัยกว่านี้แต่ไม่มีความจำเป็นแต่สามารถเอาความคิดที่พิสดานนี้มาสอนคนอื่นได้เป็นเครื่องมือสอนคนอาจารพุทธเจ้านี่เวลาจะเอาธรรมะออกมานี่ต้องเอาความรู้ทางอื่นมาผสมผสานเพื่อเพื่อจะได้ยกตัวอย่างให้คนฟังแล้วเข้าใจเนี่เกิดคนมีความสามารถพิเศษทางด้านปัญญา เราเรียกว่าเป็นปัญญาวิมุตต์แต่ไม่ว่าจะเป็นปัญญาวิมุตต์แล้วเจตวิมุตต์นี้ก็ต้องมีสมาธิมีปัญญาสมาธิก็ต้องมีอัปปนาสมาธิปัญญาก็คือต้องมีเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่ด mm ัง hmm. นั้นคนที่มีปัญญาวิมุตต์นี้จะเก่งเวลาเวลาบรรลุแล้วจะสอนได้สอนได้คนเยอะกว่าคนที่มีเจตวิมุตต์นี้บางทีสอนใครไม่ได้มาก เพราะไม่มีความรู้ที่จะเอามาเอาเอาธรรมะที่รู้อยู่นี้มามาเปรียบเทียบมาเผยแผ่มาที่บายให้คนได้เห็นภาพกูบาบางกูบาบางอาจารย์บางท่านนี่ท่านไม่คยมีลูกศิษย์ลูกหาเท่าไหร่บางท่านนี่มีลูกศิษย์เยอะเพราะการแสดงธรรมของท่านคว้างขวางคนฟังแล้วเข้าใจ ประาศตรงนี้ท่านก็สอนสั้นๆอย่างของปู่สาวนี่เขาบอกว่าไประกาบท่านก็สอนแค่ศีลสมาธิปัญญาเนาะถ้านั้นแหะท่านก็สอนอันนั้นแต่ถ้าไประกาศหลวงตามหาบูท่านก็เทศให้ฟังเป็นชั่วโมงไปขยายความใครก็อธิบายต่างๆคนก็จะเกิดวความเข้าใจ <c oughs> ปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ให้ธรรมะทั้งทุน่นให้ให้เนื้อทั้งก้อนแล้วคุณเอาไปเอาไปต้นไปกินเอาเองแต่ถ้าคนที่มีปัญญาเขาก็เอาเนื้อมาแล่มา มาทำเป็นอาหารให้เรากินแบบง่ายๆกินแล้ว อ, ร, อร่อยถูกใจลักษณะของเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตตก็คือคนที่มีความสามารถพิเศษทางสมาธิหรือทางปัญญาคือความหมายของท่านแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าสามารถบรรลุได้ด้วยสมาธิอย่างเดียวหรือสามารถบรรลุด้วยปัญญาอย่างเดียวนี่เป็นความเข้าใจผิด มันต้องมีศีลสมาธิปัญญาครบองค์นักแปดตมีครบทั้งสามนี่ถึงจะบรรลุได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาสอนนักแใดเเสียเวลาเข้าใจนะมีอีกไหมไม่มีจะให้ทางบ้านถามต่ อ, เ, อเดี๋ยวใครอยากจะถามไว้ถามต่อทีหลังก็ได้ทางบ้านเข้ามาคำถามจากคุณวรัตยา ในสติปฐานสูตรในอนาปนานะแบบที่ให้เรารู้ชัดว่าเมื่อหายใจยาวก็ให้รู้ชัดว่าหายใจยาวเมื่อหายใจสั้นก็ให้รู้ว่าหายใจสั้นทำไมถึงต้องทราบว่ายาวหรือสั้นคะถ้าให้รู้อย่างเดียวจะได้ไหมคะหรือว่าการบอกว่าสั้นหรือ ย, ยาวนั้นจะทำให้เราไม่เผลอสติคะ่ะก็ไม่หรอกก็ให้รู้เท่า น, นั้นเองถ้ามันถ้ามันสั้นก็รู้ว่าสั้นเช่นบางทีรเวลานั่งใหม่ๆใจมันยังหายใจ ไม่คล่องมันก็อาจจะหายมันทํางานอะไรมาเหน็ดเหนื่อยมานั่งใหม่ใหมมันก็หายใจสั้นก็รู้ว่าตอนนี้ใจเราหายใจสั้นนั้นอย่าไปอยากให้มันหายใจยาวให้รู้ตามความเป็นจริงแต่มันกําลังหายใจยาวก็อย่าไปอยากให้มันหายใจสั้นถ้ามันสั้นก็รู้ว่ามันมันก็รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นความหมายก็มีอยู่แค่นั้นเองอย่าไปปรับลมอย่าไปกําหนดลมอย่าไปบังคับลมใจแล้วลมเราไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทําเราทํางานมาใหม่ๆเวลานั่งมันจะหายใจสั้นพอใจพอใจเริ่มสงบแล้วร่างกายได้พักผ่อนมันก็จะเบาลงมันก็จะหายใจยาวขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองอย่าไปบังคับลมพอมีอาจา ร, รย์บางคนหรือสํานักบางสำนักก็ก่อนจะนั่งนี่ต้องหายใจเออเจาะยาวเออยาวๆออกไงนี่ไม่ต้องไ ม, ไม่ให้ทําอย่างนั้น นั่งแล้วก็ให้ดูไปตอนนี้มันสั้นก็รู้ว่ามันสั้นมันยาวก็มันเป็นยาวไปเราต้องการใช้ลมเป็นที่เกาะใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองมันจะสั้นจะยาวไม่มีปัญหาอะไรขอให้เราทหารู้อยู่กับลมอย่างเดียวอย่าไปคิดว่าตอนนี้ดูลมแล้วก็ไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่ไหนดีอย่างนี้ไม่ได้ละคาถามจากคุณโตรมร น, นะครับ ถามว่ายานทิพย์มีจริงหรือไม่ครับอย่างที่หลวงพ่อโ ต, โตส่งยานทิพย์มาเทศนารำสอนญาติโยมที่จังหวัดเพชรบุรีครับยานทิพย์นี่ไม่รู้มีจริงก็แ่าแต่ตาทิพย์นี่มีจริงเช่นติดต่อกับกายทิพย์ได้เนี่ยมียพระพุทธเจ้าติดต่อกับเทวดา แ, แสดงทำให้กับเทวดานี่มีหลวงปู่มั่นท่านก็มีเทวดามาฟังเทศธรรมธรรมแต่ส่งยานมาให้คนที่อยู่เพชรบุรีนี่ไม่รู้ว่ามีจริงก็แบบ นอกจากว่าคนที่อยู่เพชรบุรีเขาสามารถรับญาณของท่านได้ก็ก็มีได้เช่นแม่ชีคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแม่ชีแก้ว เ, <ม>เธอก็มีตาทิพธ์เธอก็ติดต่อพวกกายทิพธ์ได้คกินที่หลวงปู่มั่นเสียหลวงปู่มั่นท่านก็มาบอกว่าเราตายแล้วนะเธอไม่ต้องมาหาเราแนละ้วเพราะแม่ชีกําลังจะเตรียมตัวไปกราบในวันนุ่งขึ้นหลวงปู่มั่นก็มาเข้าในสมาธิอดีตแม่ชีกําลังนั่งอยู่ในสมาธิอยู่ก็เข้ามาบอกว่าเราตายแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องของกายทิพย์มาติดต่อกับใจของผู้ที่มีพลังจิตที่จะรับได้ข้อที่สองนะครับผู้ที่ไปนิพพานแล้วจะส่งญาณทิพย์มาเทศนาธรรมสอนญาติโยมได้ไหมครับสาธุครับถ้าญาติโยมมีพลังจิตจะรับได้ก็มีเช่หนหลวงปู่มั่นท่านก็เคยเคยเล่า ว, ว่ามีพระอาหารหันต์มีพระพุทธเจ้ามาสแสดงธรรมปรดท่านนะ mm hmm. ผู้รับต้องต้องผู้รับต้องมีพลังรับด้วย แต่ถ้ามีแต่ส่งมาแล้วแต่ผู้รับไม่มีก็พลังรับก็รับไม่ได้เหมือนเราส่งโทรศัพท์ไปให้ส่งสัญญาณโทรศัพท์ไปให้เครื่องเนี่ยพอดีเครื่องนั้นมันแบตหมดอย่างนี้มันก็รับไม่ได้แต่ถ้าเขาชาร์จแบตขึ้นมาเดี๋ยวเขาเปิดเครื่องมาเขาก็จะรับสัญญาณเราได้ครับคำถามต่อไปจากคุณกัญญารัตนะครับอ่า คำถามคื อ, อลูกไม่มีพ่อแม่ท่านเสียตั้งแต่ลูกยังเล็กตอนนี้ลูกได้แต่ทําบุญใส่บาตรปฏิบัติธรรมบ้างเมื่อมีโอกาสทุกวันแม่วันพ่อลูกจะทําบุญให้ท่านเสมอและพรุ่งนี้วันแม่ลูกจะทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงคนในชุมชนให้กินฟรีเพื่อเป็นกุศลให้พ่อแม่อย่างนี้ได้ใช่ไหมครับลูกขายก๋วยเตี๋ยวเองเลยจะทําแจกให้กินฟรีทั้งวันวันแม่ได้ได้เหมือนกันเป็นการทําบุญเหมือนกัน ถามจากคุณซีซั่นเช้งพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเวลาทําบุญนั่สมาธิสวดมนต์แล้วอุทิศไปให้พ่อแม่จะได้รับไหมคะถ้าบุถ้าถ้าเรามีบุญจากการเราสวดวมันก็ได้กลัวมันยังไม่ได้บุญเนี่ยเพราะว่าบางทีสวดแบบผิดผิ ด, ผ ด, ผดถูกๆูกแล้วสวดแล้วจิตยังไม่สงบงี้มันก็ยังไม่เกิดบุญขึ้นมาท่านท่านถึงแนะนําว่าให้เราทําบุญจากการทําทานดีกว่ามันได้แน่แน่ พอเราทําทานปับเราก็ได้บุญละเราก็อุทิศบุญนั้นได้ส่วนการนั่งสมาธินี่เหมือนกับการปลูกต้นไม้นะเวลาปลูกต้นไม้นี่ต้นไม้ยังไม่ออกผลมันก็ยังไม่มีผลแต่เราต้องปลูกต้นไม้ก่อนเราต้องนั่งสมาธิก่อนพุทโธพุทโธไปก่อนแต่ถ้าจิตเรารวมเป็นสมาธิได้แล้วนั่นเราถึงจะเป็นผลเราถึงจะอุทิศผลนั้นได้ท่านถึงไม่ได้สอนให อุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิท่านสอนให้อุทิศบุญด้วยการทำทานว่ามันได้แน่ๆแต่การนั่งสมาธินี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีใครได้ผลนได้ก็ผลแบบว่าได้เป็นเล็กๆน้อยๆได้แค่ใบปลูกเหมือนตูกต้นไม้ได้แต่ใบกันแต่ผลนี่ยังไม่เกิดอัปปนาสมาธิยังไม่เกิดก็เลยไม่แนะนำให้อุทิศบุญผ่านจากการนั่งสมาธิ ไอ้บปขายก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวจแจกทานนี้ได้แ น, น่ๆกว่าเพราะทำแล้วเราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาคำถามจากคุณสิริการที่เราเบื่อทางโลกและเข้าสู่ทางธรรมได้นั้นจะต้องเบื่อทางโลกขนาดไหนคะก็เบื่อจนกระทั่งออกไปบวชได้นะคะคำถามจากคุณพิมพร ถ้าใจเราอยากไปถือศีลที่วัดบ่อยๆดีกว่าเราปฏิบัติอยู่ที่บ้านถ้าเรามีโอกาสเราควรจะไปที่วัดบ่อยๆใช่ไหมคะถ้าเราไปแล้วมันได้ผลดีกว่าอยู่ที่บ้านก็ควรไปแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วได้ผลเท่ากันเนือดีกว่าไม่ต้องไปก็ได้ขอให้เราวัดที่ผลก็แล้วกันแล้วก็วัดสถานที่ที่เราไปว่ามันสงบหรือไม่สงบคําว่าวัดนีไม่ควรดูที่ว่ามีโบสถ์หรือมีเจดีหรือเปล่าควรจะดูว่ามันสงบหรือไม่สงบ คำถามจากคุณอา ร, รยาศีนข้อสาต้องผิดแค่ไหนคะถึงจะเรียกว่าผิดศีลค่ะก็ไปร่วมหลับนอนกันนะร่วมกับหลับนอนกับสามีภรรยาของคนอื่นร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยาของเราเนะี่ยคำถามจากคุณหลงรู้พระแถวบ้าน เราไม่ศรัทธาเป็นวัดไม่เคร่งปฏิบตัติเราทําทานมีผลอนิสงส์ไหมคะมีเหมือนกันเนี่เยเป็นอย่าเราไม่ได้รับของแถมเหมือนเติมน้ํามันเราได้แต่น้ํามันไม่ได้ของแถมถ้าเราไปทําบุญกับพระที่ปฏิบตัติท่านก็จะสอนธรรมะเป็นของแถมให้กับเราแต่บุญเราก็ได้เท่ากันทําบุญร้อยบาทกับพระปฏิบตัติกับพระที่ไม่ปฏิบตัติเราก็ได้บุญคือความสุขใจเหมือนกันอิ่มใจเหมือนกันแต่ ของแถมนี่เราจะไม่ได้ได้ไม่เหมือนกันตามบุญกับพระปฏิบัติท่านก็จะสอนให้เราปฏิบัติอย่างถามจากคุณฟ้ารุ่งคนที่ใช้แม่ทํางานโดยอ้างว่าก็ให้เงินบาปไหมเจ้าคะกรรมจะตามสนองไหมเจ้าคะไม่ควรจะใช้พ่อแม่หรอกพ่อแม่เขาทําให้ประโยชน์ให้กับเรามามากมายไาย ก, ากองแนละ้วควรให้ท่านพักผ่อนควรเราควรจะรับใช้พ่อแม่มากกว่านอกจากว่าเราไม่สามารถทําได้ แล้แม่อยากจะมาช่วยเราอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเี่เราอาจจะพิการหรือว่าอาจจะมีงานมากแล้วแม่สงสารก็เลยมาช่วยเรานี่ต้องต้องเป็นไปตามความต้องการของแม่แต่อย่าไปบังคับอย่าไปสั่งแม่ไม่ควรควรจะเทิดทูนแม่ควรจะให้แม่อยู่อย่างสบายเราควรจะทําให้กับแม่มากกว่าที่จะให้แม่มาทําให้กับเราถ้าเป็นไปได้ คำถามจากคุณปราสิธิ์เวลาไหว้พระไหว้เจ้าที่บ้านจุดทูปกับไม่จุดทูปผลเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไม่มีไม่มีอะไรต่างกันต่างกันตรงที่มีควันมากกว่าคำถามจากคุณรณชัยความสุขของชีวิตเราคืออะไรครับความสงบไงใจเรามีความสงบแล้วเราจะเจอความสุขที่แท้จริงนอกกนั้นเป็นความสุขปลอม เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์คำ ถ, ถามจากคุณวันถ้ามีคนว่าร้ายแล้วเราแผ่เมตตาให้เขาเป็นความคิดที่ถูกหรือเปล่าคะถูกแล้วลการแผ่เมตตาก็คือการที่เราต้องการที่จะให้เขาเป็นมิตรเราเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับเขาเราไม่ควรที่จะพูดร้ายกับเขาเวลาที่เขาพูดร้ายกับเราถ้าเราพูดดีไม่ได้เราก็เฉยๆไปอย่าตอบโต้ จากคุณกุ๊กไก่กลาบขอคำแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วเกิดทุกเวทนาจากการปวดขาเหงื่อแตกพยายามไม่สนใจพยายามบริกรรมพุทโธแต่จิตสงบได้ไม่นานควรทําเช่นไรเจ้าคะก็ <_ ühr> ทําบ่อยๆทำไปเรื่อยๆฝึกสติให้มากขึ้นก่อนจะมานั่งควรจะฝึกสติให้มากก่นอนก่อนเพราะเวลานั่งเวลาเกิดทุกเวทนาเราจะได้ใช้สตินี้ช่วยให้เราประคับประคองใจ ไม่ให้ไปทุกกับความเจ็บของร่างกายได้คำถามจากคุณสันชายข้อที่หนึ่งหญิงที่คลอดลูกและอบรมเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ถือเป็นการสร้างกุศลชนิดหนึ่งหรือเปล่าคะคือหมายถึงคนโสดจะไม่มีโอกาสสร้างกุศลชนิดนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะจะว่าเป็นกุศลก็ได้แต่คนโสด ก, ก็ทํากุศลอย่างอื่นได้ข้อที่สองอ ถ้าเอาลูกไปฝากให้พ่อแม่เลี้ยงให้ถือว่าเราทำบาป ก, กับพ่อแม่หรือเปล่าคะเพราะเราไปเพิ่มภาระาให้ท่านก็อยู่ว่ามันมีหลายหลายประการที่ต้องพิจารณาดูคือถ้าพ่อแม่เขายินดีก็ไม่บาปพ่อแม่ก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญแทนเราเราก็จะเสียโอกาสนั้นไปเราก็จะไม่ได้ทำบุญเลี้ยงลูกเราให้พ่อแม่เลี้ยงเราแต่ถ้าเราไปบังคับพ่อแม่นี่ ไปโยนให้พ่อแม่โดยที่พ่อแม่อาจจะไม่พร้อมก็ไม่ควรเพราะไปทำให้พ่อแม่เขาต้องเดือดร้อนอ่ออาอาจาจากคุณโทนี่นะครับอีกคำถามหนึ่งครับ Yes Tony ครับ Hello อาจารย์ uh, Hello again อาจารย์ I have one more question What can you tell someone who use the word love all the time but you know they don't love you <laughs> <laughs> just tell them I love you too. <laughs> Thank you so much. I don't know น h a t to tell you. People like this <laughs> are just saying t ต i n g s <laughs> on the surface, but they don't r e a it. สังคมเมืวานนี้มันเป็นสังคมที่หลงหลงไหลกับการหาความสุขให้กับตนเองการที่จะรักคนอื่นนี่มันไม่รักจริงอร <c oughs> ักแต่ปากก็พูดไปอย่างนั้นเองจะไปพูดอะไรก็ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงก็หลอกก็คอยตามเขาไปดีกว่าผมก็รักคนเหมือนกั น, <c oughs> เ, หนเหมือนในไลน์นะเวลาก็ส่งสติ <c oughs> ปั่นกันก็จะส่ง <c oughs> ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แหงนั้น่ะ อะไรก็เลิฟอะไร LOL อะไรก็ไปเลิฟมันก็เป็นแบบเดี๋ยวนี้มันเป็นทางด้านทางกิริยาแต่ทางจิตใจไม่ค่อยมีหรอกจิตใจทุกคนก็ค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆก็คือเห็นกับตัวคำถามจากคุณสันชายเรามักจะกล่าวว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูก การเลี้ยงดูพ่อแม่จะได้กุศลเท่ากับได้ทําบุญกับพระาอารหันทรูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องเพราะว่าพ่อแม่ก็มีพระคุณเหมือนกับพระอาหันต์ที่มีพระคุณกับเราคำ ถ, ถามจากคุณผู้หญิงมีข้อสงสัยเรียนสอบถามคือวัดแถวบ้านของลูกนี้เจ้อาอาวาสที่ประพฤติตนเป็นนักเลงต่อยตีกับคารวาส ด, ด้วยเหตุผลน้อยนิดและความประพฤติหลายๆอย่างที่แปลก ชาวบ้านจะไปร้องเรียนในความประพฤติของพระองค์นี้เราจะบาปไหมคะได้บาปแล้วชาวบ้านนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องคอยคอยรายงานมสมัยพระพุทธการนี่ก็มีชาวบ้านนี่แหละไปคอยรายงานพระพุทธเจ้าจึงมีศีลข้อห้ามขึ้นมาเยอะแยะเลยศีลสองอยิบเจ็ดข้อนี้ไม่ได้โผล่ขึ้นมาโดยที่พระพุทธเจ้าคิดขึ้นมาเองนะโผล่ขึ้นมาเพราะมีคนไปร้องเรียนทั้งนั้นนะ่ะ ชาวบ้านเดือดร้อนก็ไปร้องเรียนพระพุทธเจ้าก็เลยพิจารณาเดือดร้อนก็ต้องห้ามละอย่างเนี้ยห้ามไม่ให้พระไปจารึกช่วงเข้าพรรษานี้ให้อยู่จําพรรษาสามเดือนไม่ให้เดินทางไปไหนสมัยก่อนต้องเดินด้วยเท้าแล้ ว, ว่าเดินก็ชอบเดินลัดทุ่งกันอย่านี้จิ้นในช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงที่เขาเริ่มเพาะปลูกปลูกข้าวปลูกอะไรกันนี้เวลาพระเดินทางก็ไม่สนใจลนะ่ะกูจะ เดินเร็วๆก็รัดทุ่งลัดนากันก็ไปเหยียบข้าวเหยียบอะไรเพื่อที่เขาปวกไว้เสียหายชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยต้องมาเฝ้ามากราบเรียนพระพุทธเจ้านพระพุทธเจ้าทราบก็เลยต้องมาห้ามบอกต่อไปนี้ไม่ให้เดินทางไปไหนตลอดระยะเวลาสามเดือนอันนี้เนี่ยสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อนี้มันโผล่ขึ้นมาทีละข้อสองข้อเพราะมีชาวบ้านมีเหตุมาล่องเรียนกัน ถ้าอยู่ถึงป่านนี้อาจจะมีมากกว่า227ไม่รู้จะถึง 2,000 หรือยังอะไรมาคาถามจากคุณศรั ธ, ธาการนั่งสมาธิระหว่างที่จิตอยู่กับการเพ่งเลง็งการหายใจเข้าออกอยู่นั้นแต่ตัวดันสับผงกหรือเหมือนคนจะหลับแบบนี้คืออะไรครับและแยกแยะยังไงครับว่าเกิดจากการง่วงนอนหรืออะไรยังไงก็ง่งวงนั่นแหละคือสติมันหมดเนี่ยสติมันอ่อน เวลานั่งแล้วมันสบายมันก็เลยทําให้สติมันอ่อนอังนั้นเราต้องฝึกสติให้มากหรือว่าเราต้องไปนั่งในที่ที่มันน่ากลัวถ้าเรากลัวผีเนี่ยไปนั่งในป่าชา้ามันจะมีความกลัวมันจะตื่นตัวตลอดเวลาหรือไม่เช่นนั้นก็ดองน้องอดอาหารดูอดอาหารมันก็จะทําให้เราหิวหิวลงมันไม่ค่อยง่วงอ่ะคำถามจากคุณพิมพ์ ในขณะนั่งสมาธิหากเกิดเวทนาขึ้นเราควรตั้งสติใหม่ถอนจากพุทโธมาเป็นพิจารณาร่างกายอาการ3 2มหรือไม่เจ้าคะได้ทั้งนั้นน่ยถ้าเราพิจารณาได้แยกร่างกายออกจากใจได้แล้วปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาได้ก็เรียกว่าปัญญาได้ปัญญาได้อบรมสมาธิด้วยปัญญาหรือว่าถ้าเราจะบริกรรมก็บริกรรมให้มันถี่ไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บปล่อยมันเจ็บไปแล้วก็ แล้วก็บริกรรมของเราไปแล้วสวดมนต์ไปก็ได้แล้วใจเราสงบใจเราไม่ทุกข์กับมันก็ใช้ได้คำถามจากคุณอัชรานักบวชสีขาวปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านได้ไหมคะได้มันไม่ได้อยู่ที่สีหรอกมันอยู่ที่ว่าสีสมาธิปัญญาคำถามจากคุณเจษนีลูกมีปัญหาเรื่องสีลข้อไม่เข้าสัตว์ชีวิตวันก่อนลูกทาความสะอาดเปิด เปิดช่องแอร์แล้วมีไข่จิ้งจกตกลงมาแตกไปสองใบลูกจะบาปไหมคะ ถ, มะถ้าไม่เปเจตนาตั้งใจจะทําให้มันแตกไม่บาปเราคําถามจากคุณสมใจอยากทราบว่าถ้าใจเราอยากไปแต่ปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นความอยากทางกิเลสไหมคะไม่เป็นความอยากทางธรรมความอยากไปฆ่ากิเลสนี่ไม่ได้เป็นความอยากทางกิเลสเป็นความอยากทางธรรมเป็นความอยากฝ่ายดีที่เราควรที่จะมีกัน คำถามจากคุณพิมพ์อาการจิตรวมเป็นสมาธิมีอาการอย่างไรคะและจะรักษาอาการนั้นไว้ให้ น, นานๆได้ด้วยการปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็ต้องฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วเวลามันรวมเราก็จะรู้เองสีปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอย่าไปสนใจว่ามันเป็นยังไงขอให้เรามีสติอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเวลามันรวมเราก็จะรู้เองว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เอง มันจะเหมือนตกหลุมตกบอ่อจะตกจากที่สูงลงมาแล้วก็วุบแล้วก็เน่งสงบแต่ใจไม่วูบใจตัวสตินี่รู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วเกิดความเบา อ, อกเบาใจสบายใจเหมือนที่ไม่เคยพบมาก่อนหมดหรือยังเอ<ม>าอีกสักสองข้อก็ได้ปิดท้ายสักสองข้อคำถามจากคุณพิมพ์คนจนมีเงินทงตัวหนึ่งร้อยบาทแบ่งทาบุญเก้าสิบบาทเทียบกับคนรวยมีเงินหนึ่งร้อยล้าน แต่ทําบุญหนึ่งแสบาทผลบุญแตกต่างหรือเท่ากันอย่างไรคะอ๋อความรู้สึกคนที่ทําบุญ90สิบาทมันจะมากกว่าเพราะเสียสลักมากกว่าถ้าเราวัดตามสัสดส่วนขอให้เปรียบเทียบเหมือนช้างกับหนูก็แล้วกันหนูกินข้าวช้อนเดียวก็อิ่มใช่ไหมแต่ช้างนี่กินข้าวช้อนเดียวไม่อิ่มช้างต้องกินข้าวสักถังหนึ่งถึงจะอิ่มก็เหมือนกันคนที่มีเงินเยอะ จะเกิดความรู้สึกว่าได้เกิดความสุขทางใจที่เกิดจากการเสียสละก็ต้องเสียมากกว่าคนที่มีน้อยกว่าดูที่สัสดส่วนก็นแล้วกันดูที่น้อยละเท่าไหร่ถ้าร้อยละสิบเท่ากันเช่นคนมีร้อยบาททำสิบบาทแล้วคนมีล้านหนึ่งทำแสนหนึ่งมันก็ทำเท่ากันก็ความรู้สึกน่าจะเท่ากันความรู้สึกทางจิตใจน่าจะเท่ากันแต่ปริบาเงินไม่เท่ากัน อันนี้สองที่จะได้รับก็ไม่เท่ากันกลับมาเกิดก็จะได้สิบบาทกาแสนหนึ่งตนทําแสนกลับมาก็จะกลับมาได้แสนบวกดอกเบีย้ยคนที่ทำสิบบาทก็จะได้บัสิบบาทบวกบวกดอกเบีย้ยเหมือนการเอาเอาเงินไปฝากในธนาคารคํถาถังจากคุณตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแก่นของการปฏิบัติคุณงามความดีทุกประการในพุทธศาสนาเพื่อให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบนัน